ฉันธรรมยามติเทกระดาตสาธา ท, าทายนนามมัดเสงอาตินางตาวาสมัมเบ ย, ยนานาธิกังเกอานาสังปุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่คึงเฝ้าหวังหรือสิ่งที่ยังไม่มาเถึง ญาติย an ma. ิ่งทำไปยิ่นต่างอาภัตตัญญาคตังจิงเป็นอดีตก็ลาไปแล้วจิงเป็นอนาคตก็ยังไม่มากจุปันั้จะโยธรรมาตถาทัศตถาิสติอาจัมิรังอาจังปัจจังมิสามนุทุหขเย ในสัมมันเกิดขึ้นจับโมนาในที่นั้นนั้นอย่างแจ้งแจ่งไม่ก้อนแงกอ้นอนแแปลวควรพ่องพูนาทานเช่นนั้นไว้ต่เช่ว่ากิจมาจะฟังคนกันย่างมารณังสุเวความเบียนเป็นสิ่ที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแน่ตุงนี้ นายนรสังสารนเทรามาเทนรมาจุฬาเพกาะการปฏิญตอมาจุราซึ่งมีเสนาะยากไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารมาตาบิงหามระสามัทถิสังทางเวปเชกาตโตดิสัโตอาติคเตมุลิ ผู้มีผู้สงบ่องสาวเรียกผู้มีความเบียงอยู่เช่นนั้นไม่เสียทานทั้งสามวันสามคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราชเดียวก็น่าจม